เมื่อกี้ช่วงไปทานเข้าใครประเมินตัวเองสําเร็จละรักกิเลสได้กี่เปอร์เซ็นต์ลวคุณมลเหลือเท่าไหร่ตัวไหนละแล้วหลวงพ่อขามันไม่ได้ประเมินค่ะแต่ว่ามนลก็ได้เห็นได้ดูบ้างตอนระหว่างทานนะคะได้เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ประเมินทั้งปีอะคุณเห็นอะไรอะคือคือได้รู้ตัวรู้กายรู้ใจบ้างในตอนนั้นนะคะเหรอแล้วมันพัฒนาขึ้นไหมปีหนึ่ง ถ้ประเมินทั้งปีนะคะหลวงพ่อมนว่ามนก็มันมีสติรู้ถี่กว่าปีก่อนๆนะคะเออดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบได้ไหมถึงยี่สิบไหมคะงามาแอบถามข้อสอบลองประเมินตัวเองดูแล้วว่าถามมนเอากันบ้านวันนี้แล้วกันนะครับวันวันนี้มนมีกําลังมากขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วไหมคะใช่มีแรงไม่งั้นตามันจะตกลงมาข้างล่างอยู่เรื่อยเลยค่ะมองหลวงพ่อมันไม่ยอมมองนะคะดูไปนะค่ะขอบคุณค่ะ เอาต่อไปพวกอยู่วัดเชิญส่งกันบ้านเอาไม่ต้องเกียนกันเอาตออามอาวุโสอ่ะเธอเมื่อวานนี้โยมก็ไปปฏิบัติโดยเดินจงกมมากเลยค่ะ<ม>เพื่อจะให้ขึ้นมาอยู่นฝั่งสักทีนี่คตอนแรกก็ยังเต็มไปด้วยความอยากดูอยากรู้แต่พอเดินไปนานๆเป็นหลายชั่วโมงเป็นชั่วโมงๆเนี่ยหลังๆมันก็ ทิ้งความอยากนั้นไปแล้วก็เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเครื่องไหวอย่างนั้นแหละเดินค่ะหนนั่นถือเรียกเดินเป็นค่ะก็มีมีช่วงที่ช่วงขณะหนึ่งที่เห็นว่ามันมีเกิดแล้วก็มีดับแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆไม่ได้ยาวเลยมันไม่ต้องเห็นมากนะเห็นเป็นคราวๆก็พอละะก็อยากเรียนขอกันบ้านของพ่อหเลยสามวันทําไปสินะทําอย่างนี้แหละทำแบบนี้นะคะจิตเรามีกําลังมากขึ้นละ เอาวันเอติดยังติดซึมอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยช่มชื่นอะค่ะแล้วงไงอะให้หลวงพ่อช่วยเคอค่ะไม่ต้องขอผสมน้ําหน้าดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดูมันสินะรู้ดีวกว่าเป็นกลางใจไม่เป็นกลางใจไม่ชอบอะให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบอ้าต้อง มาภาวนาคราวนี้ก็สบายขึ้นนะคะหมายถึงว่าสภาวะมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะคะมันหลงมันเผลอมันไม่ต้องมั่นอะไรแต่ว่ามันก็แอบไปรู้มัง่งไม่รู้มัง่งเนี้ตอนนี้ปลอมอยู่นะแมวปีนี้เป็นธรรมดากว่าปีก่อนค่ะแต่ช่วงหลังก็รู้สึกเห็นตัวตนมากขึ้นคะเออดีแล้วคุณตรงหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเจตนามันก็เจตนาจะ ไม่ปฏิบัติเจตนาไม่เจตนาครับให้รู้ทันเลยเรี่ยนะ ร, รู้ทันเจตนาเจตนาทางใจคือมโนสัญญเจตนาเป็นอาหารคือเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งทําให้เกิดการกระทํากรรมมันหล่อเลี้ยงทําให้จิตมันมีแรงทํากรรมอยู่ถ้าเรารู้ทันเจตนานะหมดเจตนาจิตมันก็หมดการกระทํากรรม หเห็นช่องความคิดที่มันไหลเข้าไปคิดแล้วมันหมุนวนด้วยความเร็วสูงจนกลัวตายครับมันต้องถอยออกมาเพราะเห็นว่าตรงนี้บ้านแน่ๆ น, นี่ครับอมถอยก่อนยังไม่ถึงเวลาแตกหักนะแต่ตอนถึงเวลาแตกหักเราจะไม่ถอยแนละ้วจะตายก็ตายจะบ้าก็บ้าน่าต่างจิตก็ดีกว่าเมื่อวานครับผมก็ดูสภาพะได้ดีกว่าเมื่อวานครับเออ ถ้าบอกว่าจิตรู้สภาวะได้ก็โอเคใช้ได้นะแต่ว่าตอนตอนตื่นนอนที่ว่าตื่นขึ้นมาปั๊บแล้วมาดูปั๊บก็ก็ยังมันก็คิดรออยู่ดีครับไม่ได้ฝึกไม่คิดนะไม่ใช่ห้ามมันจิตมีหน้าที่คิดจิตคิดทั้งวันนะไม่ห้ามมันหรอกเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นเองรู้ทันนี่คุณตรงเมื่อกี้ดีนะกี่ที่หลงอล้ดีหลงหลงไป บางคนกลัวหลงนะควาจริงหลงก็เป็นธรรมชาติธรรมดาหนึ่งก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองโดยสภาวธรรมโดยภูมิจิตภูมิธรรมพวกเราขณะนี้มันยังมีจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่ให้เราไม่ห้ามมันหรอกถ้าเราห้ามมันก็ฝืนความจริงนะต่อไปจะเริ่มตรวจกันบ้านนะหลวงพ่อยังไม่หายเหนื่อยเลยเนระีย <c> น <oughs> สอนมาต่อกันห้าวันนะเมื่อวันจันทร์ก็ไปสอนที่สวนพุทธธรรม แต่หยุดเมื่อวานวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจกันบ้านหลวงพ่อขออย่างหนึ่งนะบางคนเป็นยกเก่งมากเลยเป็นกรรมพันมือไวนะมาทีไร ย, ยกทุกทีเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้มีสาระแก่นสารที่จะส่งกันบ้านแค่อยากคุยเท่านั้นเองนะเป็นโรกอยากคุยขอร้องนะว่าเว้นช่วงให้คนอื่นเขาบ้าง บางคนเนี่ ย, ยมาแนละ้วมันยกไวไม่ภาวนาหรอกวันๆซ้อมแต่ยกมือนะแล้วก็ชนะคนอื่นตลอดนะเพราะงั้นถ้าหากจะยกมือนะขออาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็แล้วกันเฉลี่ยให้คนอื่นบ้างนะเพราะงั้นเปนยกเก่งจริงๆเลยเบอร์เก้าสิบเอ็ดส่งกันบ้านกราบนะมรดกหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อขาวหนูจริงมีเรื่องจะเล่าเยอะอีกแล้วแต่ว่าเอาเอ า, าแต่เนื้อเนื้อเอาแต่เนื้อเนื้อ เขาวที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านไปว่าให้ไปดูว่าเวลาคุยธรรมะเนี่ยใจมันจะพองผอง hmm. หนูก็นึกว่าเออหลวงพ่อคงไม่รู้หรอกว่าปกติหนูอยู่บ้านคนเดียวอ hmm. ใครจะเอาเหยื่อไม่ไม่ีมมเหยื่อไหมหนูคุยธรรมะ hmm. แล้วก็ทํางานบ้าน ก, ก็คือดูของตัวเองไปเรื่อยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสดูเออคุยธรรมะแล้วใจจะผ่อง hmm. ก็จนวันนึงก็ทํางานบ้านไปแล้วก็แวะ วิเราคุยกับสงการบ้านกับหลวงพ่อไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วก็ไปเห็นตัวใจที่มันพองขึ้นมาว่าเออสงสัยจะใช่ตัวเนี้มั้งคือไม่ต้องเป็นใครเราก็คุยของเราอยู่คนเดียวใช่คุยเองก็ได้นะก็เลยว่าเออเอั้นคงใช่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็สําคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุยกับใครแล้วพองแล้ตัวสำคัญคือมันพองขึ้นมาแล้วให้เห็นหลวงพ่อพองตัวนั้นจะติมันเป็นมันเป็นความพอใจหรือว่ามันเป็นความสุขอะคะเป็นความพอใจ มันมีความสุขมันก็เลยพอใจมันเป็นอกุศลใช่ไหมคะเป็นกุศลแล้วก็ไปยึดติดหรือเปล่าคะไ ป, ปยึดติดเป็นกุศลนะไม่ใช่อกุศลคิดถึงหลวงพ่อแล้วเกิดอกุศลที่มันรับไม่ได้นะ <c oughs> มันต้องเกิดกุศลนะหลวงพ่อคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่หลวงพ่อบอกหนูว่าหนูเนี่ยไม่ควรเข้าหลวงพ่อพูด ก, กับหนูเลยว่าอย่างหนูเนี่ยไม่ไปดีกว่าเข้าคอร์สเนี่ยไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่ไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ดีอ <c oughs> วันที่หลวงพ่อแนะนําเนี่ยก่อนหน้านั้นหนูได้สมัครไปก่อนแล้วแต่ว่าใบตอบรับไปยังไม่มาพอเนี้ยใบตอบรับมาเนี่ยทีนี้หนูก็รังเลใจมากเลยเพราะว่าเอ๊ะเราไปเราก็ไปทําดีนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลวงพ่อห้ามไว้นะก็คือเราก็อินลงไปว่ารู้สึกใจมันเศร้าหมองมากเลยว่าถ้าเราจะไปเนี่ยรู้สึกเราเราผิดเราไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อใจมันเศร้าจนขํามกวนออกมากับแฟนแฟนก็พูดมาครังว่าเกินจริงละ มันก็หลุดออกมาปุ๊บ ก, ก็เลยอ่าเริ่มใช้เหตุผลแล้วว่าจะไปหรือจะไม่ไปก็เลยก็เลยก็คิดว่าเอาคําหลวงพ่อแล้วก็ดูกับตัวเองที่ดูภาวนาแล้วเป็นยังไงอะคะ่ะก็ตัดสินใจแล้วอืแล้วก็ทีนี้ล่าสุดเนี่ย <c oughs> สิบวันวันนี้ยคะ่ะก่อนหน้าจะมาเนี่ยสภาวะแต่ละวันมันบางวันมันเหมือนรู้ละเพลินแล้วลลรู้สึกไหมค่ะอืต้องคุยน้อยๆนะคุยธรรมะไม่ดีค่ะ เอาอางนี้เราพอสรุปให้ให้คนสรุปเดี๋ยวกว่าจะครบ10วบันนั้นที่พรวนาตอนนี้ดีแล้วล่ะไปดูต่อนะมีติดอะไรไหมคะหลวงพ่อตติดตรงมัน<ร>าชาบ ค, <น>คุยไงเหรอเวลาคุยแล้วมันจะเปลินเคริมเคริมอินอีนไปหนะ้า ไหลๆไปนุ่มๆนวลๆแล้วมีอันนึงที่หนูยังค้างอยู่ก็คือหนูอ่ะจะสับสนว่าตกลงหนูควรปฏิบัติในรูปแบบไหมเพราะตั้งแต่ครั้งเดือนกันยาไปหางานบ้านทํานะมันทําทุกวันทั้งวันอยู่แล้วเ<อ>ว <ะ S 2> หรอและแล้วดูมันทํางานไปแล้วงั้นในระเบียบไม่ไม่จำเป็นแล้วเท่าถือว้นถ้าเคลื่อนไหวอยู่ทั้งวันนะดูร่างกายที่ทํางานอยู่ทั้งวันก็ใช้ได้แล้วค่ะกลางคืนไหว้พระสวดมนต์นน<ม>เช้านาย้าวเบอร์สามสิบค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ ส0สิบยกมือไว้เบื่อสามสิบมากไปการนมัสการของพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาสามเดือนแล้วเจ้าค่ะก็ถ้าสิ้นปีนี้ก็ปฏิบัติมาได้ปีกว่าแล้วเจ้าค่ะทั้งปีคือช่วงแรกๆที่รู้สึกตัวเขาจะหวือหวามาก hmm. แต่ตอนนี้คือเขาจะนิ่งๆ hmm. มองการเปลี่ยนแปลงเขาไปเรื่อยๆ hmm. แล้วก็ที่สำคัญคือเห็นนะเจ้าคะว่าบางครั้งเนี่ย ทราบมีสติรู้ว่าเราทําผิดจะทําผิดศีลแต่มันห้ามไม่ได้อะเจ้าค่ะก็รู้ทันนะถ้าจงใจไปทํำเราก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้ น, นเจ้าค่ะผลของการผิดศีลนี่ยเป็นความทุกข์แล้วก็มีแยกแยะแต่ละอย่างออกไปมีความแตกต่างกั น, นอย่างถ้าผิดศีลข้อหนึ่งะคนเขาก็รังเกียจเขากลัวเลยผิดศีลข้อสองคนเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาไม่ไว้วางใจใช่ไหม ผิดศีลข้อสามเนี่ยคนเขาก็ดูถูกเหยียดหยามเอาผิดศีลข้อสีไม่มีใครเขาเชื่อถืออะไรเงี้ยนะคือถ้าเราทําไปเราก็ต้องรับผลนั่นแหละนะเจ้าค่ะเออแล้วจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าตัวเองต้องสมควรมีวิหารธรรมไหมเจ้าค่ะมีสินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะรู้สึกที่ร่างกายเคลื่อนไหวใช่ไหมเจ้าค่ะรู้สึกไปนะเจ้าค่ะเออจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าทุกครั้งทุกคืนที่สวดมนต์ก็ วางรูปหลวงพ่อไว้ใกล้พระพุทธรูปก็ขอปฏิบัติบูชาให้โอชอบอย่างนี้ชอบหลวงพ่อเจ้าค่ะกลับกับ<ว><ว>พระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้ามีลูกศิษย์ยันปฏิบัติเยอะๆคงจะอายุยืนนี่พูดแบบหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศบอกถ้ามีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนนะท่านจะอายุถึงร้อยปีอเผอิญมีน้อยเลยไม่ถึง100ร้อยได้90สิบกว่าเบอร์ร้อยปยกมือขอเล่นถามอีกข้อเดียวเจ้าค่ะจบอีกเหรอมีอะไรปรับปรุงไหมเจ้าค่ะอย่าประคองไว้ โอเคเจ้า <Okay. S 2> <18. S 3> ค่ะร้ปค่ะมาจากจังหวัดลำพูนค่ะขอโอกาสสองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งคือกราบขอขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ทำซีดีไว้ให้ฟังเจ้าค่ะเหมือนมีหลวงพ่ออยู่ด้วยทุกวันเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้ทำเองหรอก ทำให้เป็นหรอกก็อนุโมทนากับทุกคนที่ได้ทำซีดีด้วยเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องที่สองคือได้ปฏิบัติดูจิตมาห้าเดือนแล้วค่ะก็ได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนไว้จริงๆคือแบบเริ่มเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตมันบังคับไม่ได้แล้วก็แบบเวลามันอยากจะทำก็ต้องก็บังคับให้ไม่ทำก็ไม่ได้นะคะใช่ใช่ก็เริ่มเห็นแบว่า มันมีความเป็นความคิดที่มันเป็นตัวเราอ่ะค่ะโอ้นาแล้วก็เวลาที่เราทําอะไรทุกอย่างนี่คือแบบทําเพื่อตัวเราแบบตลอดเวลาค่ะเก่งมากนะภาวนาดีไปดูอย่างนี้แหละดูไปวันหนึ่งใจมันปิ๊งขึ้นมาว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกนะค่ะก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีนะเราอดทนนะค่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเราไม่หวังผล เพราะการที่เรามีสติแต่ละวันแต่ละวันเราก็มีความสุขอยู่แล้วดีขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อก่อนก็มีนะหลวงพ่อก็เคยไปหาครูบาอาจารย์ที่ลําพูนมีครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆอย่างคือหลวงพ่อพรมจักรครูบาพรมจักรวัดพระบาทตักพาองค์นี้จิต ท, ท่านไวมากเลยไปหาท่านก็เรียนธรรมะแม่อาจารย์หลวงพ่อเยอะนะที่ลําพูนยังมีเลยเนี่ย ครูบาปรมจักนะมีวัดท่านชื่อวัดพระพุทธบาทตักผ้าคนก็ไปแซวท่านนะว่าจะเชื่อได้ไงพระพุทธบาทใครมันจะเหยียบหินเป็นรอยได้วันดีคืนดีท่านเลยเหยียบให้ดูนะท่านเหยียบไว้ที่หัวทางจงกลมที่กุฏิท่านตอนนี้ก็ไปสร้างมนดบล้อมมาไว้เหยียบสลึกเลยเหยียบลงไปลึกมากๆเลยอันนั้นใช้กสิณนะเอกสิ น, นะ เ, สนเพ่งให้อ่อนก่อนแล้วก็เหยียบ หลวงพ่อก็เหยียบได้แต่มันไม่มีรอยหรอกอ้าวระรินระรินกลับนำปรส ก, การค่ะลหลวงพ่อเพิ่งเพิ่งเริ่มดูจิตประมาณเดือนมกราค่ะก็นี่ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็คือว่าจะบอกว่าออพอดูจิตไปพอพอประมาณเดือนมีนาก็มีสติอัตโนมัติเกิดค่ะตอนนั้นรู้สึกว่า จเจริญดีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เสื่อมลงค่ะแล้วพอหลังๆที่มาส่งกันว่าหลวงพ่อก็จะทักว่าเอติดมันมัวมัวมีโมหะค่ะอืแต่ก็ยังไงก็ตามแต่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะดูออกไหมล่ะที่มันมัวมั ว, มวดูออกค่ะเพราะเคยตอนแจมมามันจะแจมวันนี้เยอะค่ะอะให้รู้เฉยๆนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าอยากให้แจมค่ะนะรู้รู้เท่าที่มันเป็นแล้วก็อยากจะกลับเรียนหลวงพ่อว่า อ, อ ปีนี้รู้สึกพอดูจิตแล้วรู้สึกมีความสุขคือคำคำพูดของหลวงพ่อที่บอกว่าเรียนรู้ทุกและมีความสุขอะค่ะเป็นยังไงคือเข้าใจมากขึ้นค่ะดีน ะ, ะถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกแจ่มแจ้งนะจะมีความสุขที่สุดเลยคือเจริญนิพพานนิพพานเป็นบรมสุขค่ะขอบพระคุณค่ะประสง่งการบ้านแค่นี้ค่ะดีสรงเง็นนี้ชอบท่งน้อยอยเบอร์แปดสิบสามยกมือ หลวงพ่อครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายครับหลวงพ่อก็ว่างั้นเลยดีเห็นว่ากายทํา ง, งานไปเองอครับแล้วก็หลังๆผมเห็นว่าเจตไปรับรู้เองนะครับแล้วก็ดับไปเองออืถ้ามีสติรับรู้พุนภาวนาได้ดีมากนะหลวงพ่อมีต้องทําอีก เมื่อทำเป็นแล้วทำถูกแล้วก็ต้องทำเนืองๆทำไปตลอดชีวิตเลยอย่าหวังว่ามันจะได้อะไรเมื่อไหร่ยิ่งไม่มีความหวังนะันยิ่งง่ายเพราะถ้ามีความหวังอยู่นะมันอดคิดถึงผลไม่ได้มันอยากความอยากยังแทรกอยู่นะของจริงไม่มีหรอกคุณภาวนาได้ดีมากนะภาวนาอยู่เรื่อยฮะหลวงพอ่อดีนะมันเป็นเองนะง่ายเชื่อ ย, ยังง่ายครับนะง่ายเห็นไหมง่ายที่สุดเลยใครบอกว่ายากก็ค <c oughs> ือพวกไม่ทำนะ มรดการหลวงพ่อกับช่วงของหลังนี่งานงานภาระทางโลกมากแล้วก็เป็นทำไม่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเรีกเรี่ยงได้ทําให้แต่ว่าก็มีการปฏิบัติตามรูปแบบแล้วก็มีการเจริญสติรู้ตัวในชีวิตประจําวันเท่าที่จะทำได้ผมไม่ไม่แน่ใจตัวเองว่าไปบัติเนี่ยมันยังยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าครับอยู่สินะแต่หลวงพ่อถามที่เธอจิตขณะนี้เป็นยังไงเพ่มเต้นครับ แล้วมีอะไรอีกมีโมหะโอ้ตับถลกใช้ได้ใช้ได้นะที่ทํามาเนี่ยสอบผ่านเลยครัได้ทดสอบด้วยข้อสอบเนี้ยคือเห็นสภาวะเป็นน่ะของคุณต้องทําอีกนะใจไม่ตั้งมั่นใจฟุ้งไปต้องแบ่งเวลามีวินัยในตัวเองทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติบ้างครับเราเอาเวลาไปทํามาหากินอะไรเนี่ยเราทําเพื่อคนอื่นหลอดเลยะแต่ไปนี้เราต้องทําเพื่อตัวเราเองบ้าง โดยการภาวนาวันหนึ่งสิบห้านาทีก็ยังดีเดียว<อ>ใจมันจะได้มีแรงมากกว่านี้อ่เบอร์เก้าสิบยกมือเก้าสิบแถมนิดนะคะของเขาอะนะคะเขาเขาทำในรูปแบบตอนก่อน น, นอนนะะหนูน่าห่วงกลัวว่าเขาจะติดสมถะจริงๆเขาควรจะเพิ่มด้วยซ้ำใช่ไหมคะให้ทำกลางวันเลยทำเช้าเช้าอะไรเงี้ยนะกลางคืนทำแล้วมันง่วงละอ๋อโอเคอค่ะเอนคืค่ะมมีคนห่วง <laughs> อ้าวเร์เก้าสิบกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติมาเสร็จแล้วก็เห็นเห็นสภาวะบ้างครับความโกรธความอยากเนี่ยครับก็จะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติมานี้ถูกถูกต้องหรือเปล่าครับถูกสินะดู บ, บ่อยๆนะดู บ, บ่อยๆ อ, อ, อีกอีกคําถามของหลวงพ่อเวลาเวลาบางทีเนี่ยเราผมดูเสร็จแล้วอ่า บางทีจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับคือดูพอรู้แป๊บหนึ่งมันก็จะจะหลุดไม่ไม่ห้ามนะอม่ห้ามแค่จิตไหลไปเรารู้ว่าไหลไปตัวเนี้รู้บ่อยๆไว้เดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นเองอย่าจงใจให้ตั้งขึ้นครันี่หลวงพ่อกําลังจะบอกคุณข้อสองนี่ยคุณถามสัก่อจิตคุณไม่ตั้งมั่นจิตคุณไหลตลอดครับให้รู้เฉยๆไม่ว่าเขานะรู้ว่าไหลครับมาเบอร์สิบยกมือเบอร์สิบ ลงพ่อที่เคารพครับโอ้ว่าไงลูกสทิที่รักสิ้นปีไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาหาหลวงพ่อครับอ๋อไม่มีที่ไปตอนนี้มาหาหลวงพ่อนะ่ะดีนะครับไม่เสียค่ามอเตร์เหวแล้วไงก็ปีนี้ของผมเรียนกับหลวงพ่อในเรื่องของการทำความรู้สึกตัวครับก็รู้อย่างเดียวแล้วก็ พอดีเมื่อวานนั้นทอดปลาทอดปลาได้ใจลอยแล้วก็ปลามันตกลงไปน้ํามันกระเด็นก็ด้วยความตกใจก็ตัวเองก็ถอยกระโดดเิงเห็นตัวเองกระโด<ม>ดเห็นแล้วก็เห็นความตกใจ oh, <he. S 2> เห็นความตกใจเสร็จปับ๊บก็เห็นความตกใจมันหายไป <Yeah. S 2> แล้วก็เห็น อัตตาว่า้ตัวเรานี่มันรักตัวเรานี้ที่เราทําอย่างนั้นน่ะอืมซึ่งผมไม่เคยเห็นว่าไอ้ฟาร์มเป็นตัวตนมันเป็นอย่างนี้ตัวกูเป็นอย่างนี้เพิ่งจะเห็นเมื่อวานผมเห็นด้วยจิตถูกต้องไหมครับถูกต้องนะเห็นถูกต้องเลยเห็นแม่มันเกิดเองครับแล้วมันก็ดับลงไปเองแล้วเราก็ต้องผมมาหาหลวงพ่อตั้งแต่ตอนต้นปีต้นปีผมก็เลยรู้ว่าตอนต้นปีที่เราที่เราเรียนกับหลวงพ่อแล้วเราพยายามที่เราจะปฏิบัติเราทําด้วยเจือด้วยโลภะอืม แล้วมาช่วงปีหลังมาคือมาช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมทําด้วยแค่รู้อย่างเดียวแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกต้องการรู้สึกให้มันเป็นก่อนอะไรมันจะเกิดช่างมันก่อนเออจะอันนี้ผมทำก็มีความสุขขึ้นสิครับตอนนี้จิตใจมันก็เบาขึ้นรู้สึกมันเบามันโปร่งโล่งความทุกข์มันน้อยลงอทำความรู้สึกตัวถูกต้องเลยใช่ไมครัถูกต้องแล้วนะปีหน้าผมจะเริ่มทําสติเจริญสติต่อได้ใช่ไหมครับ ได้สิทำไมจะไม่ได้ตอนนี้หมายถึงทำคามรู้สึกตัวถูกต้องเลยใช่ไหมครับเออถูกแล้วนะแล้วก็เนียสติปัญญามันจะเกิดเองอย่างมันเห็นร่างกายกระโดดใช่ไหมตัวที่โดดเนี้ยไม่ใช่เราเห็นความกลัวใช่ไหมความกลัวไม่ใช่รเราเห็นความรักตัวเองแต่รักรักตัวเองน้ำมันเดือดเดือดกระเด็นมาใส่ก็ต้องโดดหลบนะบอย่ามัวแต่พิจารณาความรักตัวเอง สติมันมาวับแล้วมันขาดแลยฮะนั่นแหละมันขาดเลยเห็นน้ำมันกระเด็นเห็นพุงเราลอยอเราเข้าใจเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเออนะเป็นรูปเลยฮะเออนะครับขอบคุณหลวงพ่อครับนั่นแหละภาวนาถูกสมมติว่าเกิดอะไรฉุกเฉินเราจะตายเนี่ยนะสติทํางานเองอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวเลยนะชีวิตเราเนี่ยคุ้มค่าละฝึกไปครับผม เนี่ยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะตอนนี้ที่สามารถเห็นรูปปรมัทิตย์เห็นนามปรมัทิตย์เนี่ยมีนับไม่ถูกแล้วเยอะแยะเลยนะอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเยอะเลยดีมากค่อยคุ้มหน่อยนะหลวงพ่อเหนื่อยมากนะแต่หลวงพ่อเห็นพวกเราพัฒนาหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะเอร้อยามสิบครับกลับนมิธการหลวงพ่อครับที่ผมปฏิบัติมาระยะหนึ่งครับตอนนี้ผมรู้ mm hmm. ถูกต้องหรือยังครับจิตเป็นยังไงขณะนี้ตอนนี้มันรู้สึกมันกด ถูกต้องนะดูเป็นแล้วก็ดูไปใช้ได้ครับขอบคุณครับเขาโอกาศให้แฟนมาส่งการบ้านเขาโอกาศให้สักคนนะครับที่ไปชุมญาอนุมั่นไหมรีวิวเกิดเขาอยากให้เขามวันเกิดนะยกเว้นแค้จะมีวันเกิดอ่ะกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือฟังฟังเสีดีหลวงพ่อมามานานแล้วค่ะไม่เคยไม่เคยส่งการบ้านเลยอืกลัวค่ะจะกลัวสิ ก้ทำไมก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมามากับตรงพ่อแล้วก็จะขอส่งกันบ้านค่ะส่งมาคือที่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันบางทีมันจะเห็นสภาวะที่ว่าบางทีคิดนะคะความคิดเห็นคิดคิดปุ๊บพอพอรู้ว่าคิดเรื่องนี้เสร็จมันก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อย่างเร็วแล้วก็ต่อต่อพอรู้เสร็จมันก็คิดเรื่องอื่นต่อจนบางทีเบื่อมันเบื่อให้รู้ว่าเบื่อ จิตเนะีคิดไม่เลิกหรอกทุกคนนะทั้งโลกเลยคิดตลอดเวลามันมันเร็วมากค่ะเออมันเร็วนะเราแค่รู้นะเห็นจิตมันคิดเห็นจิตมันคิดไปเรื่อยๆเรามีเรื่องหนึ่งที่สงสัยก็คือว่ามันไม่มีความสุขเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, อ, อคือมันมีมันมีแต่เฉยๆกับกับทุกข์มากกับทุกข์น้อยเออดีแล้วแหละ ถ้าทุกข์มากก็ไม่ชอบมันก็รู้ทันเฉยๆยแล้วชอบมันก็รู้ทันให้รู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบบวกเข้าไปอีหยัยงเราที่ปฏิบัติมานี้ต้องแก้ไขอะไรไหมคะไม่ต้องแก้นะแต่อย่าดื้อกับแฟนนะแฟนเราพอนบับเก่งกว่าเราเขาบอกก็เชื่อเ้าหน่อยใจเขาถอยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วใจเขาแยกออกจากขันละเอาเบอร์ร้อยเก้ากลับขอบพระคุณลุงพ่อค่ะ กรรมนมัศการพระอาจารย์ครับครับตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดๆครับอืมให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะไม่ห้ามมันหรอกดูไปเรื่อยอย่างตอนนี้ใจวิ่งมาหาหลวงพ่อรู้สึกไหมครับใจเราวิ่งไปวิ่งมาคุณมองเห็นไหมครับะถ้าเห็นได้นะเราก็รู้ทันเขาวิ่งไปไหนก็รู้วิ่งไปไหนก็รู้แต่อย่าดึงคืนมาถ้าเราจงใจดึงคืน ม, มันจะแน่นๆจะอัดๆเหมือนตอนเนี้ยเราอัดเอาไว้นะครับ ให้รู้เล่นๆแล้วมันจะโปร่งโล่งเบาใจที่เป็นกุศลแท้ๆมันเบาๆสบายมีอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะเอาเจ็ดสิบห้ายกมือไว้คนนี้ยกบ่อยไปนะส่งกันบ้านประจำเลยเมื่ออาทิตย์ต่อไปไม่ให้ส่งนะไม่ค่ะหนูยกบ่อยแต่หนูไม่ค่อยได้ให้หลวงพ่อเห็นได้บ่อยมากบางคนเขาต้องครึ่งค่อนปีหรือปีสองปีเขาได้ที เอาตกลงได้หนูพูดไหมคะไหนๆก็พูดแล้วเอาก็หนูจะบอกว่าเมื่อกี้มันตื่นเต้นแล้วก็อยากพูดนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มปกติแล้วก็อยากจะกราบขอพระคุณหลวงพ่อหนูตั้งใจว่าหนูจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาหลวงพ่อดีๆอย่างนี้ชอบหนูอยากจะให้กําลังใจหลวงพ่อค่ะเออนะ่ะ เ้าร้อยสิบสามร้อยสิบสามยกมือนะข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยคนไหนถ้าอาทิตย์นี้ได้แล้วนะเรเว้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะบางคนยกมือเก่งจริงยกสี่ไหลก็ได้ครับนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ครบหนึ่งปีพอดีที่มาส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก็ประเมินผลไตามากสุดท้ายมันเห็นทุกข์เยอะมากครับแล้วก็มันแห้งๆแล้วก็หนักๆออยู่กลางอกเนี่ยครับอื แต่ผมก็ให ร, รู้ทัน<ช>นะใจถ้าไม่ชอบรู้ทันนะแต่ใจของคุณนอะค่อนข้างเป็นกลางนะใช่พบผมไม่ค่อยไปทําอะไรกับมันเท่าไหร่รนั่นแหละใจของคุณเป็นกลางผมทนดูมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราคือพัฒนาการของเราแหะเราสามารถรู้ทุกได้ด้วยใจที่เป็นกลางในโลกนะเบื้องต้นหัดดูใหม่ๆจะมีความสุขเยอะแยะเลยดูไปดูไปมันจะเห็นความจริงของโลกในโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์แต่ว่าใจเราจะห่างโลกออกไปเรื่อยๆนั้นใจเราจะห่างความทุกข์ออกไปเรื่อย ของคุณใช้ได้นะดีครับขอบคุณครับหลวงพอ่อเบอร์สี่สิบห้ายกมือกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อเคยบอกว่าติดเนื่งว่างใช่ไหมคะแล้วก็คือตอนเนี้คือเหมือนดูเผลอได้แต่ว่าบางวันก็หลงไปบ้างไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ก็ไม่กล้าไปทําสมาธิใช่ไหมคะแต่ตอนหลังเริ่มมาทําใหม่เพราะว่านอนไม่หลับา ท, <ำ S 1> ทาบ้างนะนะทําแต่ว่าถ้าใจน้อมไปหาความว่างก็รู้ทันมัน มทำม<อ>เพื่อพักผ่อนถ้าใจเรานิ่งๆซึมๆไปนะนิ่งๆหรือมีแต่ความสุขเฉยๆเยิมย้มๆอยู่อันนั้นติดแน่นอ น, อนแต่ถ้าใจเรายัางเคลื่อนไหวก็ยุกไยิกไปเรื่อยๆยั ง, ยงไม่ติดหรอกตอนนี้มันฟุง้งอ่ะฟุ้งให้รู้ว่าฟุง้งให้เป็นกลางกับความฟุ้งไว้นะไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าต้องดีแล้วขอคําแนะนำหลวงพ่อค่ะฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งนะรู้ว่าทุกอย่างด้วยความเป็นกลางใช้หลักเนี้แหละ แล้วก็ทำความสงบเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งคราวนะเออบอร์124ยกมือกาบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ครั้งก่อนส่งกันบ้านไปแล้วหลวงพ่อ อบอกว่ายังรู้ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งก็มาสาเหตุมาจากขาดความต่อเนื่องแล้วก็ยังใส่ใจในการรู้ไม่มากเท่าที่ควรแล้วไปฟังเทศของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าความสุขในทางโลกเนี่ยมันก็ยังมีทั้งทุกข์และสุขปะ ป, ปนกันไปแต่ในทางธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นสุขแล้วมันก็ไม่กลับมาทุกข์อีกแล้วแต่ทางโลกก็ทําไปทําเหตุและปัจจัยที่ต้องทํา แต่ว่าเมื่อขนาดมีความใส่ใจมากขึ้นก็ยังพบว่าในแต่ละวันเนี่ยการตามรู้ก็ยังไม่เท่ากันบางวันก็รู้ได้เยอะบางวันก็รู้ได้น้อยก็เลยจะขอคําแนะนํนานจา<ะ>กปกติกตนะเป็นปกติไม่มีหรอกที่ภาวนาแล้วดีขึ้นตลอดเวลาทาั้งๆที่เราขยันอยู่นี่แหลบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสืมบางช่วงไม่มีสติบางช่วงดูไม่เป็นเลยให้เรารู้ทุกๆอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางไป ช่ว well> งไหนมันเสื่อมไปดูไม่รู้เรื่อง learning, เรารู้ว่าดูไม่รู้เรื่องไม่ชอบแล้วรู้ว่าไม่ชอบไปะช่วงไหนเจริญขึ้นมาร ificar, ู้ว่าเจริญเจริญแล้วพอใจรู้ว่าพอใจเราภาวนาไม่ได้เอาเจริญหรือว่าไม่ได้เพื่อห้ามความเสื่อมแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปมันบังคับไม่ได้อย่างมันจะเสื่อมเนี่ยมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมเขากำลังสอนธรรมะเราในเรื่องที่ว่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้ฉะนั้นตันยงดูไปนะ ค่ะขอพระคุณมากร้อยสี่สิบเก้าตันยงนะ่าเปลี่ยนไปเยอะเลยรู้สึกไหมเปลี่ยนไปมากนะช่วงแรกๆรกฟุ้งสั้นกันนี่เยอะเลยเ น, นี่ยนิ่งผ่องใสแล้วดูออกเปล่าดูออกไหมมีใครชมไหมว่าสวยกว่าเก่าอะไรเงี้ยดูดีกว่าเก่าไอ้สองกระจกนะไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านี่ว่าสวยนะ่ะ ก, กลายเป็นแกล้งว่านะเพราะจริงๆมันไม่สวยไม่งามในโลกนี้มันไม่มีอะไรสวยงามงามอะไรเท่าไหร่หรอก เบอร์ <Be> อะไรร้อยสี่สิบเก้าลูกสาวยกมือให้ครับบอกว่าอยากจะฟังคุณพ่อส่งกันบ้านครับก็ผมขอส่งกันบ้านว่าปีนี้พัฒนาไปจากปีแล้วนิดหน่อยก็คือว่าเป็นกลางมากขึ้นครับแต่ว่าวันนี้ฟุ้งซ่านเป็นนิดหนึ่งครับรู้สึกไหมเราบอกว่าเาดีขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเรารักษาหน้าเรารักษาเยอะเลยครับเอาตัวปลอมมาพูดเลยเออเนาะโดยจะพอะส่งต่อหน้าลูกครับต้องใส่ตัวปลอม <c oughs> หน้าตาคุณพ่อเยอะมากเลยครับ <c oughs> บางคนบางคนน่กลัวลูกเลยนะใช่บางคนนะาใจลอยปุ๊บลูกบอกเลยเพลอแล้วพ่อโอ้โหพ่อนีิสยองดีแล้วนะแล้วปีนี้ยังยังถูกมนุษย์จับไว้ไหมครับหลวงพ่อครับถูกน้อยลงนะถูกน้อยลงนะครับดูออกเราครับมันถูกน้อยลงแล้วรู้สึกไหมใจเราเป็นอิสระมากขึ้นโปร่งโล่งเบามากขึ้นดีขึ้นเยอะนะคุณเตมันนี่โรกเสร็พหลวงปู่สิมนะ นมัส ก, การหลวงพ่อครับในช่วงระยะสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะมีโทสะเยอะฮะก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสดีจะได้คอยดูตอนนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งพอดีลูกลูกสาวนะฮะพอเพลินทําให้เราโกรธแล้วเรารู้สึกว่าคุเราโกรธเราเห็นเลย ว, ว่าเราโกรธแล้วเรารู้เลยว่าสเต็ปต่อไปเราต้องดูเข้าประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงเราคิดว่ามันจะมันน่าจะรู้ตรงนี้แล้วมันน่าจะหยุด mm. ปรากฏเราก็ทําตามสเต็ปนั่นเลยคือดุไปตามที่เราคิดว่าต้องดุอย่างเงี้ยแหละ ดูด้วยเหตุผลหรือเปล่าหดูด้วยความเคยชิน ด, ด้วยความเคยชินครับออด้วยอารมณ์ก็เลยรู้สึกว่าเ อ, อ๊ะอย่างนี้มันรู้จริงหรือเปล่าอฮะไม่จริงสิ<ะ>ถ้ารู้จริงมันต้องขาดครัะนะอันนี้เรารู้แต่ว่ากิเลสยังย้อมจิตอยู่<ะ>ไปฝึกอีกะนะถ้าฝึกดีๆนะลูกจะได้มีความสุข<ะ>หลายบ้านนะชอบตีลูกนะยิ่งตียิ่งดือ้อบางทีกอดมันมากๆนะมันอ่อนโยนลงแต่ของคุณโดยภาพรวมดีขึ้นนะรู้สึกไหม ใจคุณโปร่งโล่งเบาดีขึ้นอย่างเรื่องลูกมันเป็นเรื่องเซนสิทีฟบางคนจะมีเรื่องเซนซิทีฟเป็นบางเรื่องกะคนนี้นะจะโมโหง่ายเขาไม่ทันทําอะไรก็โมโหแล้วบางทีแต่ละคนมันจะมีจุดอ่อนของแต่ละคนงั้นสมมติว่าคุ้นเคยที่จะโมโหลูกไม่มโมโหบ่อยไปดูเอานะเดี๋ยววันหลังลูกจะได้มีความสุขขอบคุณครับเดี๋ยวลูกจะได้มาขอบคุณหลวงพ่อร้ายสิบสี่ยกมือร้ายสิบสี่ โอ้ยมนี่ก็อุตส่าห์ได้กับเขาด้วยกาบนักการหลวงพ่อเจค่ะเออหนึ่งปีผ่านมาเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้าแต่วันนี้ตอนเช้ารู้สึกว่าจะรู้ไวแล้วก็หลงก็จะตามทันจิตคิดนู่นคิดนี่ตามดูเขาไม่ค่อยทนันแต่ว่าไม่ก็ต้องคิดก่อนแล้วเราก็รู้ว่าเขาคิด คิดแล้วพอเรารู้ปุ๊บนี่มันก็ไปเรื่องอื่นอีกแล้วล่ะคะ่ะไปเรื่องอื่นก็ดูไปอีกเราดูไปดูมาแล้วเราก็เลยเลิกดูไปดู อ, อย่างเดียอง <laughs> ดูบ่อยๆสินะคื อ, คอตอนนี้ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขหรือทำอยังไงบ้างของโยมดีขึ้นเยอะแล้วนะเ<ด>หลือกา ร, รประคองจิตอยู่นิดเดียวเองะองจนะในภาพรวมนั้นดีขึ้นแล้วเอาห้าสิบหก มรสการหลวงพ่อครับวันนี้ผมเพิ่งมาวัดเป็นครั้งแรกนะครับมากับเพื่อนก็โดยส่วนตัวแล้วเคยปฏิบัติทำมาเกือบยี่ิปีแล้วนะฮะช่วงนี้ก็นั่งสมาธิเยอะนะครับแล้วก็นั่งทีก็นานนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะกำหนดจิตก่อนการเข้านอนอแล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆนะครับก็จะเจอปัญหาที่ว่าเวลาคือกําหนดไปแล้วเนี่ยตอนก่อนบางทีบางช่วงกลางดึกเนี่ยฮะมันจะมีอาการขึ้นมาลักษณะเป็น อหูหูดับนะฮะแล้วก็อยู่เหมือนกันลมอวไหลเงี้ยครับแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ครับตัวมันก็จะลอยออกมาเงี้ยแล้วก็จะไปเจออะไรบางอย่างเนียก็เลยทำให้หยุดนั่งไม่การนั่งต่อก็ก็ไม่ได้นั่งมาเป็นนานแล้วครับหลายปีละก็ช่วงหลังๆก็ใช้วิธีการนั่งสั้นๆคือไม่นั่งยาวก็อยากจะเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะก็ต้องพัฒนาต่อไปนะสวยสู่การเจริญวิปัสสนา ของคุณเนี่ยสมาธิคุณพอสมควรสมาธิไม่จริงนะแทำไปเป็นระยะระยะเพื่อพักผ่อนใจแต่พยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากนะจิตเราวิ่งไปคิดคอยรู้จิตวิ่งไปคิดคอยรู้คุณดูจิตที่หนีไปคิดนะไม่ฝึกห้ามนะแต่จิตไหลไปคิดรู้สึกไหมมันไหลวับแวบวับแว บ, บ, บตลอดเวลาดูออกไหมเราดูเล่นๆนะเห็นมันทางานไปเรื่อย มิปัสสนานี่คือการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานมันทําของมันเองดูมันทํางานไปเรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันไม่ใช่ตัวเราอย่างเนี้ใจหนีวูบไปรู้สึกไ้มหนีไปคิดใช่ไหมไหลปั๊บแปบปั๊บแป๊บของคุณเป็นคนที่เรียกว่าทิฏฐิจริตนะจริตของคุณเป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิไม่ใช่หมายถึงเซล์จัดนะทิฏฐิจริตหมายถึงเป็นคนช่างคิด พวกปัญญาชนพวกช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือการรู้ทันใจตัวเองนะคุณดูใจของเราไปแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแต่ส่วนมากมันจะนิ่งเพราะสะมาธิของคุณเยอะคุณรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดแล้วใจไหลไปคิดอย่างความอยากพูดเกิดขึ้นก็รู้ว่าอยากอะไรเงี้ยนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ลงไปเป็นปัจจุบันครับแล้วก็จะเรียนถามเออถ้าเราใช้วิธีการแบบในชีวิตประจำวันนะครับเกิเรา อาจจะกำกำหนดความรู้สึกนะฮะที่อาจจะไปที่จ ม, มูกหรือที่ท้องเงี้ยแล้วก็เป็นสมถะนะครับต้องปล่อยนะ อ, อย่า ก, กำหนด<อ>สติไม่ได้ปลว่ากำหนดนะสติแปลว่าความระลึกได้กำหนดเนี่ยมันเจือด้วยโลภะมันอยากปฏิบัติเลยกำหนดเอาไว้ครับแต่ถ้าคุณกำหนดแบบเป็นวิหารธรรมมีวิธีกำหนดอีกอย่างกำหนดอย่างวิหารธรรมกำหนดเล่นๆจิตหนีไปก็ได้แต่ว่าอย่างเช่นเรารู้ลมหายใจรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆ และจิตนี้ไปจากลมแล้วรู้จิตนี้ไปจากลมแล้วรู้ไม่ใช่กําหนดแล้วจิตนิ่งอยู่ที่ลมนะถชากาหนดแล้วจิตนิ่งอยู่กับลมเป็นสมถะแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกนึกคิดหรือว่าการกระทําหต่างนี้ไปตั้งที่นั่นจะจะจ ะ, จะได้ไหมครับไม่ไม่ดีนะเป็นสมถะ ม, มันจะเจือด้วยความจงใจวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้เวทนาบางครั้งก็รู้จิตไม่ใช่รู้อันเดียวนะ ถ้าเราไปตั้งว่มันจงใจร่วนเดียวถ้าจงใจร่วนเดียวยังไม่ใช่ขอข้าราชการหลวงพ่ออีกคําถามนึงนะครับเอออย่างเรื่องของคนเราก็เข้าใจความสุขความทุกข์ใช่ไหมครับแต่ไม่ไม่ทราบว่าทำไมเอาอย่างรุนปัจชนนี้ทําไมชอบที่จะระลึกถึงทุกข์อยู่บ่อยๆเช่นว่าเออรู้ว่าทุกข์แต่เด็ก็กลับคิดอีกคิดอีกอย่างเงี้ยเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันฝังอกฝังใจนะมันเป็นของฉุดฉาดบาดตาอย่างสมมติเรามีผ้าขาวอยู่ผืนหนึ่งนะแล้วก็มีเปื้อนหมึกอยู่จุดเดียวเท่านั้นะ สังเกตไหมทั้งผืนเราไม่ดูเราจะดูแต่รอยเปื้อนโดยธรรมชาติธรรมดาใจเราเป็นอย่างนั้นชอบสนใจอะไรที่มันไม่ค่อยดี<อ>เป็นปกติข อ, ข อ, ขอบคุณครับเบอร์สิเจนมัตสการหลวงพ่อค่ะคือเมื่อป่าสิงหาได้มาส่งการบ้านครั้งแรกกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อให้ไปดูการเคลื่อนไหวมากๆคือให้เคลื่อนไหวตัว <S <S มากเห็นเห <ๆ S 2> ็นการความเปลี <ๆ S 2> ่ยนแปลงไหม เห็นค่ะช่วงเดือนแรกน่ะจะเกิดโทสะมากขนาดแค่ฟังซีดีก็รู้สึกอิจฉาคนที่ได้ถามอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีพุทโธอยู่ตลอดนะคะช่วงเดือนละแล้วพอเดือนที่สองเนี่ยรู้สึกมันหายไปตัวพุทโธนะคะแต่ก็ยังตามรู้อยู่ตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าความทุกข์มันสั้นลงมันตัดได้ลงอแต่ก็ยังยังเหมือนกับมันค้างค้างอยู่ยังไม่ได้หมดไปอะค่ะอ ก็เลยอยากจะมาส่งการบ้านครั้งที่สองแล้วก็ขอการบ้านเพิ่มด้วยเจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะแต่ว่าสมถะไม่จริงนะพุทโธเล่นๆไปเรื่อยๆก็ได้พุทโธแล้วดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพุทโธแล้วอึดอัดเราก็ไม่ไม่ทําแต่ถ้าใจสักช่วงหนึ่งมันฟุ้งซ่านแล้างเงี้ยเราก็กลับมาพุทโธให้ใจมันมีแรงแล้วขอคำถามได้ไหมคะได้ก็คือถ้าจะไปเข้าคอร์สอย่างเนี้ยค่ะได้ไหมคะไม่นิยมเลยนะ ส่วนมากไปเข้าคอร์สแล้วโดนบังคับทำโน้นทํานี้อะไรเงี้ยจริตนีิสัยคนไม่เหมือนกันอย่างตอนเนี้เราควรจะเดินเขาก็ให้เรานั่งอะไรเงี้ยลําบากแล้วก็ชอบมาสอบอารมณ์เรานะทําให้เราตก ป, ป, ปัดตุเปไปอย่างนี้เท่ากับก็คือให้ทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชื่นหวานตลอดรู้สึกไปนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปหาที่ภาวนาอย่างตามวัดที่เขาไม่มีไม่จัดคอร์สอะค่ะนะขอบพระคุณจ้ะค่ะวัดที่เขาไม่ยุ่งอะดี ก็ต้องปลอดภัยนะผู้หญิงไปปฏิบัติเรียวราดไม่ได้นะอันตรายเมื่อเจ็ดสิบเก้าบอร์เจ็ดสิบเก้าก่าด้นักสการ์หลวงพ่อค่ะมากราบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้ววันนี้ครบหนึ่งปีหนึ่งเดือนปิติมากค่ะก็ดีแล้วนี่นะจิตใจเราก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนใช่ดีค่ะเอ่อ ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติบูชาแต่พระพุทธเจ้า<อ>แล้วเป็นอาจาริยาบูชาให้แกหลวงพ่อค่ะเออดีนะชอบนะอย่างนี้ชอบตาทุวันนี้จะขอระไงานานึกว่าจะไม่ส่งกันบ้านกำลังจะให้คนเ็ายกมือแล้วค่ ะ, อะตอนนี้เห็นสภาวะที่หลงขณะเดียวกันก็เห็นที่มันแว บ, บๆตลอดได้ตามไม่ต้องถามแล้วน ะ, น ะ, นะภาวนาเป็ดแล้วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะห้าสิบห้าสิบสี่ อาว่าไปครับในพิธี ก, การหลวงพ่อครับมาจากหาดใหญ่ครับมาครั้งแรกอืก็ฟังซีดีแล้วก็อยากจะขอความเมตตาครับว่าให้หลวงพ่อช่วยพาดูสรวัตธรรมให้นิดนึงครับอย่างใจเราก็สับกระสายดูออกไหมครับเป็นกระสักระสายเราก็รู้เราข่มเอาไว้บังคับไว้ดูออกไหมครัตอนนี้เรากดไว้นะเราก็รู้นะตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมไหลบู๊บไปนะเราก็รู้เนะี่ยจิตสงสัยทราบไหม มีความสงสัยผุดขึ้นมาเราก็รู้เนี่ยแอบไปคิดอีกบุบหนึ่งรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยใจมันไหลบุบไปนะรู้สึกครับเนี่ยให้ค่อยรู้สภาวะรู้เล่นๆนะไม่ต้องรู้มากขนาดที่หลวงพ่อบอกนะนานๆรู้ทีหนึ่งขึ้นมาแวบหนึ่งตามดูหมายถึงว่าสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างตอนเนี้ความสงสัยเกิดขึ้นทราบไหมความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันสงสัยอย่างนี้ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอา มีอะไรอีกหมไหนไหนก็มาไกลครับผมการปฏิบัติในรูปแบบของคุณกระดุกดิกไว้นะเคลื่อนไหวไหมดูเล่นๆนะอย่าเดินแบบเครียดๆนะอยามเคลื่อนไหวกระดุกระดิ์ร่างกายแล้วก็ใจของเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนอย่างเงี้ยค่อยๆแยกกายแยกใจแยกสบายสบๆเอาเบอร์ห้าสี่ โยมที่มาจะาหัดใจเอาหนังสือเอาซีดีไปนะไปฟังแล้วก็สังเกตใจไปเรื่อยๆนมัสชการค่ะหลวงพ่อก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะมมชมตัวเองก็ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็มันเรื่องจริงอ่ะเห็นไหมเราต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองถูกต้องแล้วแล้วไง ค, ค่ ะ, คะ อาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพไปเห็นอยู่สภาวะหนึ่งก็คือไปเห็นปกติเห็นอัตตาเนี่ยมันจะสนองความเป็นตัวเองอะค่ะแต่อาทิตย์ที่ผ่านมามันเห็นอัตตาเหมือนมันมันอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ไปเห็นตัวเนี้ยมันเห็นแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะเห็นได้สิแล้วมันมันไม่เซิฟความเป็นตัวเองอะเป็ไม่เซิฟนะมันแยกออกไปแล้วเราเป็นแค่คนดูไหยจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูแล้วแต่ความปรุงแต่งมันก็ปรุงไปนะคนรู้มันก็รู้ไปไม่เกี่ยวกันนะ ดีฝึกไปขอบคุณค่ะสิบห้ากับสามห้าแบบน้มันสการท่านอาจารย์ค่ะอายุมากแล้วค่ะเอะจะจะเข้าคิวก็ไม่ทันแล้วล่ะค่ะยอมอย่ากังวลนะจิตโยมเนี่ยภาวนะาไม่ยกากเ<า>จ้าค่ะจิตมันพร้อมที่จะตื่นอยู่แล้วเจ้าค่ะรู้สึกไหมรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกไปเร่อยเออเจ้าค่ะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วจะไปกังวลอะไร ขอบคุณเจ้าค่ะแต่ว่ากิเลสมันมากเหลือเกินเจ้าค่ะการที่เราเห็นว่ากิเลสมากนะเรียกว่าเรามีสตินะเจ้ค่ะกิเลสมันมีอยู่มันมีจริงๆมันมีทุกคนแหละแต่คนทั่วไปเขาไม่รู้ว่าเขามีกิเลสของโยมเห็นว่าจิตมีกิเลสนั่นเก่งนะเจ้ค่ะการที่เราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่เสียชาติเกิดหรอกดูไปเรื่อยๆน ะ, ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วปีใหม่จะตั้งใจ เอานะเอาตลอดปีนะใหญ่เฉพาะวันปีใหม่น ะ, น ะ, ะเอเบอร์สามสิบห้านมาสการหลวงพ่อค่ะหนูเคยมาหาหลวงพ่อหลายครั้งแล้วแล้วก็วันนี้ตื่นเจ้นค่ะเพราะว่าไม่เคยส่งมาบ้านต่อหน้าคนเยอะๆอย่างนี้คือหนูอยากจะทราบ ว, ว่าปีหนึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยที่หนูทำคือหนูรู้สึกว่าหนูทำแบบในชีวิตประจำวันไม่ได้แบบนั่งสมาธิแบบจงมหายอย่างเงี้ยค่ะ พัฒนาการมันดีขึ้นหรือเปล่ารู้สึกตัวเองไหมล่ะรู้สึกมากเลยค่ะอล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมกิเลสเยอะฟุ้งด้วยเห็นความทุกข์สั้นลงไหมทุกข์แทบไม่มีค่ะคือมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ตัวหนูไม่เข้าไปทุกข์เออนะอยู่ห่างๆนะค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยผิดปกติดูออกไหมตอนนี้ตื่นเต้นมากใช่นะใช้ได้ไปไปดูเใจใจมันไม่ตั้งมั่นนะแล้วแล้วไงหนูหนูอยากจะขอพ่อหลวงพ่อว่าหนูอ่ะ จะอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดผาซ้อนแก้วค่ะทําไมต้องขอพรน่ะก็แค่หิ้วกระเปาไปบอกหลวงพ่ออํำนาจนี่ก็เหมือนก็ยากเหมือนกันนีะคะอะไรนะก็เข้าไปปฏิบัติยากเหมือนกันที่นั่นหายากเหรอหลวงพ่อนึกว่าใครไปก็ได้เขามีคิวเหรอรู้สึกว่าจะมีค่ะอ๋อของบ้านอารีเหรอไปขอคุณใหม่หรืมาขออะไรหลวงพ่อเนะ่ เมื่อก่อนนะมีทหารคนหนึ่งนะไปขอพรไปขอพรห ล, ลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมตอนนั้นเขานิมนต์ท่านมาพระสุทัศน์มาปลุกเสกพระเครื่องเนี่ทหารคนนี้เป็นพันเอกพิเศษก็ไปขอห ล, ลวงพ่อครับผมเป็นพันเอกพิเศษมานานแล้วขอให้ผมเป็นนายพลสักทีเถอะท่านบอกโง่อย่างเงี้ยถึงไม่ได้เป็นอยากเป็นนายพลก็ต้องไปขอนายสิท่านมาขอพระนะอยาก เข้าคิวไปผ่าซ่อแกก็ไปขอคุณใหม่นะงี้หนูโง่สิครหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ว่าตรงๆนะค่ะปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันดีค่ะข้างหลังสุดยกไว้แล้วก็เบอร์หกสบสองหลังสุดนะยกไว้ต่อไปพวกเราคนไหนอยากยกนะก็าหาเบอร์ไว้คนไหนไม่อยากยกก็ไม่ต้องพกเบอร์เกะกะ กาบหลวงพ่อค่ะมีสองข้อครึ่งค่ะอืข้อหนึ่งคือเมื่อต้นเดือนลูกศิษย์วันนี้นะมุกเด็ดเยอะอ้าวว่าไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็พยายามที่จะดูจิต ด, ดูใจตัวเองตลอดเวลาเสร็จแล้วมันไปเจอเหตุการณ์ระทึกก็คือกำลังจะก้าวขึ้นรถเมล่ะคะ่ะแล้วพวกอาชีวาเขาก็ส่องปืนลงมาเสร็จแล้วพอหนูเห็นหนูก็หนูก็กอุ๊ยปืนในใจก็ร้องว่าอุ๊ยปืนแล้วเขาก็ ถามว่าพวกมึงจะเอาไงอะไรเงี้ยหนูก็มองไปข้างหลังก็เห็นอาชีวะมาอีกเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมันเห็นความคิดเข้ามาทีละข้อทีละข้อว่าให้ตัวเองทํำยังไงอะไรเงี้เสร็จแล้วก็ยืนเฉยแต่ว่าไม่กลัวไม่ขาสั่นนะ่นเลยแต่โรู้ว่าใจเต้นแรงอแล้วสักพักก็ขยับมาสองสมเก้าแล้วเขาก็เอาก้อนหินปลารถเมเลอะไรแล้วสักพกักเขาก็เคลื่อนออกไปอะไรเงี้ย หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ตกใจอะไรมากเล ย, เลยถ้าเราจเจริญสติไว้แล้ ว, วเวลาฉุกเฉินมันจะเป็นอย่างนั้นแหละกระทั่งบางคนนะรถกว่ารถหงายเนี่ยตัวขยับยังไงนะรู้เป็นช็อตช็อตชอ ต, ชอตไม่ตกใจหรอกแ ต, นะแต่แต่ไม่รู้ว่ารู้ว่ตัวเองมีสติหรือเปล่ามีสิมไม่มีคงสติแตกไปแล้วกรี๊ดกรีดฉีราดอยู่ข้างกระดาษนเมอ์มแล้วอีกข้อหนึ่งคือมีเจอสภาวะหนึ่งอะคะ่ะว่ากําลังจะนอนอะคะ่ะอแล้ว ตอนแรกก็คือคิดว่าคืนเนี้ยคงนอนไม่หลับเพราะว่าทานกาแฟไปอทีนี้พอนอนปุ๊บมันเหมือนระดับมันลงมาค่ะลงมาแล้วก็ค่อยๆลงมาแล้วอยู่ๆจิตมันก็พูดขึ้นมาว่าคือเหมือนได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วจิตมันก็พูดอ๋อเวลาจะตายเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือไม่ลังอะค่ะก็ปล่อยมันจนดีไปถึงลึกแล้วก็หลับไปเลยอย่างนั้นดีมากนะเวลาจะตายต้องทําอย่างนั้นเลยนะแล้วมันคือสภาวะอะไรอะคะหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตมันจะลงผวังเราอย่าไปต้านมัน แล้วหนูดูเป็นหรือยังอ่ะเป็นสิไม่เป็นจะไปเห็นหรอเราทดสอบได้แล้วตอนอาชีวะตีกันแล้วก็อีกครึ่งสุดท้ายคือปีนี้ครบหนึ่งปีที่ฟังของพ่อมาค่ะรู้สึกได้ถึงชีวิตคู่ทั้งทั้งแฟนเขาก็รู้สึกได้ว่ามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ ขอบพระคุณหลวงพ่อขอบพระคุณหมู่บ้านอารีบ้านอาลีมูลนิี่บ้านอารีาารแล้คนที่ผลิตเทป ท, ที่ทําให้ได้ฟังธรรมะ<อ>แลทนะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเออหนะ้าหลวงพ่อก็หวังไว้แค่นั้นแหละอุตส่าห์พูดทุกวันนะหวังพวกเราพอนามีความสุขในปัจจุบันด้วยในอนาคตเราจะมีความสุขมากกว่านี้อีกจนใจเราเข้าถึงมรรคนิพพานได้มรรคนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้แต่ต้องรู้วิธีรู้จักเจริญสติอย่างนี้แหละ จเจริญสติไปแล้วใจมันจะห่างโลกออกไปเรื่อยๆแล้วมันมีความสุขนะมันไม่ใช่ห่างเราแห้งแล้งหรอกฝึกไปนะเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกเพราะหลวงพ่อก็ช่วยตัวของหลวงพ่อเองเราก็ต้องช่วยตัวของเราเองอ้าวเหลือกลุ่มข้างหน้าหมดยังหกสิบกรนมัสการค่ะก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติสักสองสามปีนะคะเพิ่งเริ่มมาฟังแต่ว่าถ้าตอนนี้อยากมาถามก็คือไม่แน่ใจว่าตัวเอง เพ่งหรือตามดูบางทีก็สังเกตไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนใจมันเบาขึ้นมารู้สึกไหมเบาขึ้นมัน <พ basket S 1> โป่งนะมันสบายขึ้นนี่ฝึกไปดู ข, ของเราไปเรื่อยแต่และ ว, วันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้สึกคอยรู้คอยดูไปเรื่อยนะดีที่ฝึกอยู่ค่ะ ข, ขอพบพระคุณค่ะสาสิบขอโอกาสค่ะหลวงพ่อตอนแรกจะส่งสองคนนะคะ แต่ทีนี้ให้แม่แล้วกันค่ะวันนี้พาแม่มารอบที่สองอะค่ะเออไหนแม่อยู่ไหนให้แม่เสียสระเอาทรงไม้ไปสิไม่ให้แม่พูดอะค่ะฮะแม่ไม่กล้าพูดหรอกค่ะให้หลวงพ่อไหนแล้วแม่อยู่ไหนหลวงพ่อยังไม่เห็นเลยไหนแม่เสื้อเขียวอะค่ะแสดงตัวให้ชมหน่อยแม่ไม่กล้าพูดอะค่ะหลวงพ่อยืนไหนยืนไหนได้ไหมยืนไหนอ๋ออยู่นี่เนาะเอาเชิญนั่งเชิญนั่งให้แม่ฟังซีดีนะ แล้วให้แม่ดูใจไปใจกังวลรู้ว่ากังวลใจเครียดอะไรขึ้นมาก็รู้ลูกเดียวเลยรู้เล่นๆไปเรื่อยๆหัดดูไปเอาให้ลูกบ้างสงสารก็ตื่นเต้นนะคะหลวงพ่อแล้วมันกดๆดิดนึงอะค่ะพาวนาดีขึ้นแล้วนะคะรู้สึกเปล่า<ะ>ปีนี้ก็ดีกว่าปีกลายแลหละปีก่อนก็เอาแต่เพ่ง<ะ>รู้สึกไหมปีนี้มันหลุดจากการเพ่งแล้ว<ะ>ดีเราขอกันบ้านเพิ่มได้ไหมะไปทำอีกสิ การบ้านที่ให้ไว้ยังทําไม่เสร็จเลยบอกให้รู้กายรู้ใจหลกปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่การบ้านให้ไว้ยังไม่ทําให้เสร็จเลยเอา121ยกมือ121หลวงพ่อคะก่อนอื่นต้องขอให้หลวงพ่อโหสิกรรมก่อนเพราะว่าโมโหผมต้องบรรจายแล้วถามได้ถามว่าวเออปกติเนี่ยนะคะเออเวลาหนูโมโหหนูก็ว่าไอ้โมโหปุ๊บ โมโหลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นคิดแล้วโมโหมันจะหายไปแต่ว่ามันกลายเป็นคิดแล้วมันก็หายไปเป็ น, ปนทําอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยไ ป, ไปเลยคะ่ะอมันโมโหให้รู้ว่าโมโห ม, มันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราโมโหลูกแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆให้เราดูใจเราไว้น ะ, ะอย่ามัวไปคิดเรื่องลูกให้ดูใจที่กําลังโมโหไม่ใช่ไปดูไปคิดถึงลูกและไอตอนที่เราโมโหแล้วรู้เรารู้ว่ามาเราโมโหแต่มันกลับไปคิด ไอการคิดกับโมโหอันไหนคือตื่นไม่ตื่นหนูไม่รู้จักะค่ะเวลาที่เรารู้ว่าโมโหนะตรงนั้นแหละเราตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็หลงไปคิดใหม่อันนี้เราฝันไปแล้วค่ะนะเราหลับอีกแล้วแ ล, วแลวพอเราไปคิดนะเดี๋ยวเราก็โมโหใหม่เพราโมโหมันตามหลังความคิดมาแล้วก็ปล่อยไปให้โมโหไปเรื่อยๆอะคะ่ะดูไปเก็บมือเก็บปากไว้ก่อนนะแล้วก็ดูใจที่โมโหไป แล้วอย่างหนูนี่ไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยนะคะแล้วอย่างหนูนี่จะหลิตนี่จะถูกกับอะไรอะคะดูจิตไปดูจิตไปเรื่อยๆนะจิตมันโมโหก็รู้จิตมันเป็นยังไงก็รู้ดูไปเล่นรืน่คอยๆเอาละเหลืออีกหกนาทีนะคง <6 S 2> ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแถวนี้ตามใจของหลวงพอ่อแล้วแต่ว่าไข่จะได้สึกไม่มีใข่ได้ <c oughs> <c oughs> เอ้าหมอลีส่งกันบ้าน เ ม, เมื่อก่อนเนี่ยที่หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ตั้งมัน่นดูตรงนี้นานมากครับเพื่อจะรว่ว อ, อจิตที่มันฉายไปข้างหน้าเนนั่นแหละตัวร้ายเลยแล้วพวกที่ว่าดูจิตดูจิตนะจิตชอบออกไปอยู่ตัวเนี้ยครับบางคนถึงกับตั้งสานักสอนเลยนะเพื่อจะให้จิตมาอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วใช่ติดอยู่นานมากจนกระทัง่ง ผมถล่มเลฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่มมีกรรมเข้าแล้วก็ถลม่มหมดการปฏิบัติถลม่มก็ไ ป, ไปเริ่มปฏิบัติรู้กายรู้ใจใหม่มก็ไปเห็นดูทุกก็เลยรู้ว่าเอาไอ้ทจิตอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันขยับไปอยู่ทิศหนึ่งใช่มันขยับไปมันไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกอยู่ข้างนอกไม่ถึงฐานอะไรเงี้ยใช่ค่ะดูออกไหมดูออกมันไม่เข้าที่หรอกแล้วพอกลับมาดูได้ก็นี่ก็เริ่มเห็นได้ว่าความทุกข์ที่ว่จิตเป็นทุกข์เริ่มเป็นยังไง เ, เริ่มเห็นต้องดูอย่างนั้นแหละถ้า ใจเราไหลไปอยู่ข้างนอกนะสบายไปอย่างนั้นแนหะแล้วก็เหมือนไม่มีกิเลสความจริงจมกิเลสอยู่ครับแล้วมันไม่เดินปัญญามันเหมือนรู้สึกตัวนะแต่มันไม่มีปัญญามันไม่ตั้งมั่นไม่มีวิธีรู้ถามเกิดคนอื่นนะไม่มีวิธีรู้เลยครับว่าจิตมันไปอยู่ตรงเนี้ยถ้าหลวงพ่อไม่ทักนี่ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยถ้าถ้าโยนิโสมนานสิกานมากๆนะช่างสังเกตนะว่าเทําไมจิตเราดีมาตั้งนานแนละ้ว ถ้าสงสัยสัยนิดหนึ่งนะค่อยๆสังเกตก็จะเห็นนี่เราไม่ยอมสงสัยเรารู้สึกว่ายิ่งภาวนานและจิตเรามีแต่ความสุขเราก็พอใจนะพอเราพอใจเรานิ่งนอนใจซะแล้วมันก็ไม่เห็นสิหลวงพ่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อใช้วิธีสังเกตตลอดเลยไม่ว่าสภาวะจะเป็นยังไงจะดีจะไม่ดียังไงนะค่อยสังเกตไปเรื่อยถ้ามันว่างๆสบายอย่างนี้ก็ต้องคอยรู้เอาว่ามันผิดปกติแล้วมันของไม่เที่ยงทําไมมันเที่ยงของเป็นทุกข์ทำไมมันเป็นสุข ของบังคับไม่ได้ทําไมเหมือนบังคับไดนะ้ทุกวันนี้คนที่สอนดูจิตดูจิตแนละพาคนมาอยู่ตรงนี้ตเต็มไปหมดเลยเราบอกว่าดูจิตอยู่ที่แท้ไม่ใช่ที่แท้ไปติดอยู่ในพบว่างๆพบที่ละเอียดพบที่สบายนะอ่าววางใหม่ได้แล้วให้คนอื่นเขาบ้างเอ้าวภูมิจิตเป็นยังไงมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับหลวงพอ่อโอ้ยมันพูดกล่อมปั้นทุบดิน แล้วไงอีกคือช่วงนี้มันก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงะครับโอ้พูดถูกเป็นไตรลักษณ์แล้วงไงอีกก็ดูเรื่อยๆฮะขณะนี้จิตเป็นไงจิตช่วงนี้กับสามเดือนก่อนต่างกันยังไงดูออกเปล่าไม่ไม่ค่อยได้ดูเท่าปีที่แล้วอะครับฮะคือมันเทียบได้ไม่ชัดเท่าปีก่อนๆเหรอช่วงนี้ดีกว่าช่วงก่อนนะจิตใจเริ่มมีเรี่ยว ม, มีแรงเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาล้วให้ดูเอานะอย่าขี้เกียจ น, นะ อีไหมใครที่สมควรคนนี้ให้ก็แล้วกันสงสารเนี่ยมีคะแนนสงสารด้วยนะอ่าอ่านนี้มาไกลจากหานใหญ่การวักการค่ะโยมมาข้างได้มาจากหานใหญ่ค่ะโยมก็เดิมจะมาสมัรสมธาธมาก่อนแล้วก็มาฟังซีดีของอาจารย์นะคะก็เลยสงสัยว่าอย่างเช่นเวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเราไม่ดีแล้วก็หายโกรธนี่คือเราไปโกรธไปหรือเปล่าคะอะไรนะ เวลาเราโกโรธนะคะวิธีดูว่ากดหรือไม่กดนะดูที่ใจเราแน่นหรือไม่แน่นถ้าอย่างโกรธขึ้นมาแล้วเราไปกดเอาไว้นะใจจะแน่นๆอึดอัดแต่ถ้ามันสักว่ารู้สักว่าเห็นนะใจจะโปร่งโล่งเบาเลยค่ะงั้นเมื่อไหร่กดไว้นะก็แน่นเมื่อนั้นอ่ะเบอร์เจ็ดสิบสามอาจารย์นะให้ไม่จบเล<อ>ยคําถามนะคะอาจารย์อย่างาเราดูๆไปเราจะเห็นว่าเรามีกิเลสเยอะเนี่ยเราเริ่มรู้สึกไม่ไม่อยากจะดูรู้สึกว่ารับไม่ได้อย่างงี้ต้องรับไม่ได้ มนเป็นความจริงถ้าเราไม่ดูเนี่ยนะกิเลสจะครอบเราอยู่ตลอดชาติเลยถ้าเราดูวันหนึ่งเราจะพ้นกิเลสมันจะมีบางช่วงว่าเรารู้สึกเราแย่จังทำไมมีกิเลสมันเยอะนะนั่นแหละไปดูซะเพราวันหนึ่งจะเห็นว่ามันมีกิเลสแต่มันไม่มีเรานะครับเมื่อเจ็ดสิบสามยกมือได้ควนสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ครับผมผมก็เลิกบังคับผมลองเลิกบังคับดูแล้วก็ช่วงแรกพอเราเห็นความทุกข์มันก็เห็นทุกข์เยอะแยะเลย แล้วก็รู้สึกมีความสุขแต่พอสักพักหนึ่งมันก็บางครั้งมันเริ่มฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วก็บางครั้งมันคิดนานจนกว่าเราจะรู้ตัวมไม่ทราบจะทำอะไรเราก็<ล>ทําความสงบบ้างทําสมถะนะสมถะเราก็ไม่ทิ้งหรอกครับพราะตอนนี้เราไม่ได้ติดสมถะอย่างแต่ก่อนแนละ้วรู้สึกให้ใจเราหลุดออกมาะแล้วใจเราคลายออกมาแล้วนะมีหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันรู้ไม่ไหวแล้วนะก็กลับมาทําความสงบ ถ้ารู้จิตได้ให้รู้จิตถ้ารู้จิตไม่ได้ก็รู้กายรู้กายก็ไม่ได้รู้จิตไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาให้มันมีแรงมีแรงแล้วมันดูดต่อจิตคุณเปลี่ยนไปเยอะนะจิตเปลี่ยนไปเยอะดูออ ก, กเปล่าครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับเออนั่นแหละดีแล้วนะฮอหมกมาวัดไม่ได้มานอนนฮะจะส่งกันบ้านเปล่าหนีหมอมาเหรอวันนี่นั่นไงสบายเราส่งกันบ้านไหม อ่าวว่าไปควจริงหอหมกไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้เสียงก็ดังพอกับไมค์อ้าวว่าไปหลังๆเนี่ย<อ>มันก็จากสรงคันบ้านไปมันก็ไปแบบไปดิ้นรนนะคะดิ้นรนจะดีแต่ว่ามันดีไม่ได้หรอกอก็เลยแบบไปนั่งสมาธิก็เลยเห็นเห็นตัวไม่ชอบอืมันก็โอเคมันก็เห็นแล้วมันก็เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเห็นที่เฉยเป็นอย่างนี้อ แล้วก็มีวันยังไปดุลูกชายเพื่อนแล้วก็เลยแบบป่ามกระดุนะคะแต่ใจมันก็ดูเฉยเฉยอยู่เรอาอ ว, ว่าอ๋อมันเป็นเฉยเฉยเหมือนกันก็เป็นเหมือนกั น, นะออก็เลยแบบเออก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยๆนๆคะแต่หอหมอก็รู้ว่าช่วงหลังวันนี้ก็เออความอำมหิตของเรามันน้อยลงเมออื่อก่อนนี่ดุค่ะแบบ เ, ออเห็นมูเห็นหมาเตะถ้วยวันนีเออนะดีดีแล้วหมาแถวนั้นจะได้สบาย อ้าวเชิญกลับบ้าน